นัโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนัโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุชัสสะนัโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสสะนัทิสันติปาลังสุขังตีตีโอกาสนี้จะเป็นโอกาสของการฟังธรรม เพื่อไม่ให้เป็นกังวลในร่างกายธาตุขันของเรา mm. กให้พากันนั่งให้สบายๆเพื่อและเมื่อเราจับที่นั่งของเราได้อย่างสบายแล้ว mm. เราก็ปล่อยวางร่างกายของเราอย่าไปข้องแวะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราให้เพียงแค่รักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบัน อย่าส่งจิตออกไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอดีตหรืออนาคตอารมเรื่องราวภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการวางเขาไว้ให้เป็นปกติของเขาในขณะนี้เราไม่ได้ตีเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราก็รักษาจิตของเราให้อยู่จังเช่นร่างกายของเราคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นให้อยู่กับปัจจุบันในธรรมเท่านั้น เมื่อเรารักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบันจิตไม่ได้คล้องแวะคล้องเกี่ยวกับสิ่งใดแล้วเอียบประดุดเหมือนภาชนะที่ว่างเราจะนำสิ่งใดไปใส่ลงภาชนะนั้นก็รับ ส, สิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่ของภาชนะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้เป็นขณะที่เราฟังธรรมเราจะนำจิตของเรามาเป็นภาชนะบรรจุธรรมอ่านเป็นของเล่ยของประเสริฐในขณะนี้ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลาย นับต้งแต่รู้เดียงสามาพวกเราก็าพากันดินน้นรนทุรนเตยเทเยอทียานเพื่อการเสแวงหาต่างๆนา น, นานตามที่พวกเราคาดหมายด้วยแม้นจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมีความยากความลำบากอย่างไรก็ตามพวกเราก็พา ก, กันอดทนเพื่อให้ได้สิ่งทั้งหลายเด่ดังนั้นมาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันด้วยความดินน้นรนขวนขวายเสแวงหาต่างๆนานามา นี่ก็เป็นความถูกต้องเป็นความชอบธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วเพราะว่าการเกิดขึ้นมาของพวกเราล้วนแต่นำพาปาท้องท่าขันร่างกายขึ้นมาด้วยเราจำเป็นจะต้องต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องจ่ายต้องอาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราเองเราจึงพากนันดิ้นรนขวนขวายแม้นจะมีความยากความลาบากต่างๆนานา ก, ก็ตาม เราก็พากระยอมรับในความยากความบาปต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่สุดแล้วเราก็กระสามารถก้าวมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ด้วยความเมื่อเราก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วสิ่งที่เราได้มาแม้นจะได้มาด้วยความเหนื่อยเหนือยเมื่อหิวต่างๆนานาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็อำนวยความสะดวกความสะดวกความสบายให้เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรา เพราะนั้นแต่ความยากความลำบากต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นเส้นทางแห่งความสําเร็จในชีวิตของพวกเราถ้าหากพวกเราไม่ยอมรับในความยากความลำบากพากันยินดีพอใจในความสะดวกสบายสนุกสนานละทิ้งความยากความลำบากเสียแล้วเชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเราคงจะก้าวมาไม่ถึงจุดนี้อย่างแน่นอนเพราะความดุจสะดวกสบายทุกเร่อความสนุกสนานทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเส้นเส้นทางแห่งความล้มเหลวทั้งสิ้น แต่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราแสวงหามาด้วยความชอบธรรมอจึงเป็นความเป็นจึงเป็นธรรมอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พวกเรานับตั้งแต่เบื้องต้นรู้จักขวนขวายแสวงหาสร้างฐานะขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียพรเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเรานั่นเองนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความชอบธรรมของเราที่เรามีตาตุันธ์่างกายป่าท้องขึ้นมา แต่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะคำนึงอย่างยิ่งว่าการเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วนั้นเราไม่ใช่มีแต่ปากท้องร่างกายของเราเพียงเท่านี้แต่หากเรามีจิตใจมาด้วยแต่สิ่งทั้งหลายที่พวกเราพาก็ะดิ่งรนขวนขวายสวยงหามาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงไอ่หล่อเลี้ยงปากท้องและเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของทัตขันร่างกายได้เท่านั้น แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของพวกเราได้สิ่งที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของพวกเรานั้นก็มีแต่บุญมีแต่กุศลเท่านั้นที่จะชใเอซี่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราแม่แต่บุญกุศลนั้นก็เกิดขึ้นมาจากคุณงามความดีที่พวกเราพากันหมัน่นกระทำำําบําเพ็ญนั่นเอง การกระทำคุณงามความดีต่างๆอันไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อใครต่ อ, รตอหรือต่อนับตั้งแต่ต่อเราหรือต่อบุคคลอื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตนั่นแหละขึ้นชื่อว่าความดีจะเกิดขึ้นมาจากกายก็ตามวาจา ก, ก็ตามใจก็ตามอ่าเป็นคุณงามความดีแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะรวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเอง แม้บุญกุศลนี้จะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่แต่ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อถึงเพราะเราสัมผัสได้ด้วยจิตของเราคือมีสัมผัสถึงควา Holiday, มาเบิกบานถึงความผ่องใสนั่นเองเปรียบป ด, ดูเหมือนการรับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารอิม่มแม้ความอิ่มนั่นเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ก็ตามแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอิม่มเพราะเราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเรานั่นเองบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นก็เช่นกัน มันสัมผัสได้ด้วยจิตก็เป็นส่วนของนมามธรรมแตส่วนคุณงามความดีที่ที่จะเป็นเหตุนํามาซึ่งบุญทึ่งกระตุ้นนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากการกระทําของพวกเราทางกายทั้งวาสยาทางใจนั่นเองส่วนเอ่ยส่วนหลักเกณฑ์สําคัญที่จะผลักดันให้ให้เกิดเป็นคุณงามความดีการกระทําคุณงามความดีได้นั้นก็เพราะจิตที่มีความหนักแน่นตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นอัตินธรรมนั่นเอง ส่วนจิต ท, ที่จะตั้งมั่นเป็นอัจเป็นทำได้ก็เพราะจิตนั้นต้องได้รับการอบรมเพราะถ้าจิตไม่ได้รับการอบรมแล้วด้วยความเป็นเป็นปุถุชนคนมีกิเลสนั้นก็มักจะไหลลงไปในทางตา่ำทางซานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมนุษย์ปุถุชนเรานั้นความชั่วความเลวนั้นจงมีความชำนิชนานาญทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่เคยศึกษาเล่าเรียนไม่เคยได้รับการอบรมมาเลย แต่ก็มีความชำนิชํานาญมีความค่องแคล่วในการการทําความชั่วความเลวต่างๆทั้งหลายหล่านั้ทั้งทางกายทางใจเอ่ทางวาจาและทางใจก็สะสมมาปิงกองบาปบาปทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกดทวงชีวิตของพวกเราให้ล้มเหลวให้ให้ให้จมลงให้เสื่อมทรามลงทั้งทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อสิ่งที่จะผลักดันตัวของเราเอง ให้เข้าไปสู่ความดีงามในสะสมเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็ต้องต้องมีต้องอบรมจิตอบรมใจของพวเราเองให้มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของัวเราจึงไม่ควรนอนใจไม่ควรประมาทอย่างยิ่งตราบใดก็ตามที่กิเลสยังฝังลากลึกอยู่ภายในใจิตในใจของพวกเรานั้นก็สามารถที่จะฉุดลากจิตใจลงไปในทางตา่ำได้อยู่ตลอดเวลา ใ น, ในขณะใดที่เราขาดสติตามไม่เท่าทันถึงกนมายาของกิเลสแล้วเราจะไหลลงไปในทางต่ำอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยถ้าหาพวกเราเห็นเห็นภัยอันตรายของกิเลสถึงนภัยอันตรายของความเป็นปุถุชนอย่างนี้แล้วเราจึงควรตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารีบเร่งขวนขวายอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่บัดนี้ หลักเกณฑ์นในการอบรมจิตอบรมใจของเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์นใดที่จะแม่นยำหรือหรือถูกต้องยิ่งกว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นหลักฐานกฎในโลกอันนี้คือเป็นไปโดยธรรมชาติของของโลกนี้นั่นเอง แต่แม้นจะเป็นหลักธรรมชาติของโลกนี้เป็นหลักแ ต, แต่เป็นหลักความจริงของโลกนี้ก็าตามแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถรู้ตามตา ม, ตามสภาพความเป็นจริงของของโลกอันนี้ได้อจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ไปนค้นพบหลักธรรมชาติอันนี้โดยความโด ย, โด ย, โ, ดยโดยความ ฉเฉลียวฉลาดหรือความเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกของพระองค์นั่นเองเมื่อพระองค์สามารถเข้าไปค้นหาหรือค้นพบในในใ น, ในหลักสภาพความมิจริงอันนี้จนกระทั่งพระองค์ได้นําหลักสภาพความมิจริงอันนี้แล้วมาเกิดมาเก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อพระองค์สามารถชําระจิตใจของพระองค์ให้หลุดล่วงออกจากสภาพของปุถุชนคนมีกิเลสจนกระทั่งถึงซึ่งความบริสุทธิ์เป็นอริยะบุคคลขึ้ น, นมา ด้วยพระเมตตาของพระ อ, องค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้นจะมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นความยากลําบากอย่างไรก็ตามในการจะลื้อถอนสัตว์โลกให้พ้นจากเอ่อหลุมพ้นจากบอก่อลึกของของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทุ่มเทลงไปในในการประกาศสอนโลกมาถึง 45, สี่สิบห้าพัรศาบุคคลต่างๆทั้งหลายที่มีความได้ยินได้ฟังมีความศรัทธาเชื่อมั่นลงไปในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแล้ว บุคคล ต, ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้อาศัยความภาพความเพียรในการประพฤติปฏิบัติเดินตามเส้นทางที่พระุทธเจ้าได้ทรงชี้แนวทางไว้นั้นจนถึงที่สุดแล้วบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถเข้าไปเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าเข้าไปถึงแล้วคือสามารถจะชำระจิตใจของท่านเองให้พ้นจากลมจากหลุมของของความเป็นผุุ้ชนเข้ามาถึงซึ่งความเป็นอริยะบุคคล บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นพยานยืนยันยืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นทุกท่านทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้สามารถสามารถไฟฟ้าเอามาเป็นสมบัติของตนเองได้เพราะธรรมทั้งหลายเหล <ST K> ่านั้นเพราะพระพุทธเจ้ามีได้ทรงผูกขาดแต่ทรงวางไว้ให้เป็นสมบัติของนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นพยานยืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าวิเศษอย่างนั้น เพราะไม่มีใครที่จมาผูกขาดล้วนแต่เป็นสมบัติของนักปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้นเราจึงกราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างแนบสนิทใจว่าสังฆังสรังคจฉามิมาจนถึงทุกวันนี้สังฆังสรังคาฉามิก็มิได้ขาดวักขาดตอนเลยนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดวักขาดตอนนี้จึงแสดงว่าทำของวุตเจ้วเป็นอาการลิโกไม่ประกอบไปด้วยกาลด้วยสมัยไม่ว่ากาลในสมัยใดก็ตาม ได้ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติทำเป็นธรรมแล้วก็ยังมีผู้ที่จะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางคือความเป็นระยะบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อเราเรามีความเชื่อมั่นลงไปในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนอนใจรีบเล่นควนขวายเทียแต่แบบนี้เพราะชีวิตของพวกเรานั้น เป็นของเปาะบางอย่างยิ่งการประพฤตปฏิบัติของพวกเราที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเราก็ต้องอาศัยแท้ขันร่างกายของเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของเราถ้าขาดขาเครื่องมืออันประเสริญนี้แล้วเราปรารถนายอย่างไรเราก็ไม่สามารถประพฤตปฏิบัติได้เพราะขาดเครื่องมืออันวิเศษนี้เองแต่ในขณะนี้พวกเราท่านทั้งหลายยังมีเครื่องมืออันวิเศษก็คือกายกายของเรานี่เอง ร่างกายของเรานี่เป็นสิ่งที่เปราะบางเราจึงไม่ควรที่จะประมาทนอนใจรีบเร่งเอาไปมาเป็นประโยชน์เพียงแต่บัตรนี้แล้วเมื่อถึงข่าวที่มันจะแตกดับเราก็ได้ประโยชน์แกนากกสรสาระจากมันเต็มสมสมภูมิของความเป็นเครื่องมืออันประเสริฐแล้วเราจะไม่มาเสียดมเสียดายหรือมาบนบนเพ้อเอาในในภายหลังได้เพราะฉะนั้น การที่เราจะนำกายวาจาใจากายวาจาของเรามาประพฤติปฏิบัติรวมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรานั้นเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงวางแนวทางไว้ยอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์เท่ากับข้อปฏิบัติในในธรรมในวิในนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ในมรรคมีองค์แปดประการขึ้นต้นกับสัมมาทิฏฐิลงท้ายก็ด้วยสัมมาสมาธิถ้าหากพวกเราประมาประมวลลงในใจสิกขาก็คือสีสีสมาธิปัญญานั่นเอง นี่แหละหลักศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหลักการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีหลักเอปฏิบัติใดในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์ยิ่งกว่าหลักศีลสมาธิปัญญานี้อีกแล้วการที่พวกเราจะนํามาปพื่พื่อปฏิบัติเราจะนําเพื่อเพื่อปฏิบัติได้อย่างไร เสียงก็เป็นเบื้องต้นที่พวกเราจะต้องปูพื้นฐานในในความเป็นบุคคลผู้มีเสียงคือมีปกติของกายของวาจาของเราอย่าปล่อยให้กิเลสนําไปเป็นเครื่องมือของมันที่จะที่จะแต่ใช้ไปในทางเบียดเบียนในทางสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาถ้าหากพวกเรามีความปอดกั้นต่อกิเลสนี่กิเลสมันฟุ้งกระจายออกมานํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันไม่ว่าจะ กิเลสตัวใดก็ตามความโปวดความโลภความหลงราคาตัณหามารทิฏฐิถ้าหากพวกเราเรามีความอดกั้นกับมันได้มันไม่สามารถที่จะนํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันแล้วกายวาจาของเราก็จะเป็นปกติเมื่อเป็นปกติก็ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปเบียดเบียนผู้ใดหรือไม่ไปก้าวล่วงเเอก้าวล่วงในบุคคลผู้ใดแล้วจะศีลจะประกาศจีข้อกี่ข้อก็ตามพวกเราจะเป็นบุคคลผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ ทั้งๆ ท, ที่พวกเราไม่เคยปฏิญาณตนไม่เคยกล่าวถึงปานาอธินากาเมสุวิชชาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเลยเพราะนั้นศีที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาจากเจตนาเจตนาในความในการควบคุมกิเลส ข, ของพวกเรานั่นเองส่วนการส่วนการปฏิญาณของเราในการกล่าวมายังพันเตติโเลเนต่ตางๆเราก็ไม่มีติเศษ สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็ น, ปนอันเป็นาศาสนาพิธีเป็นเครื่องยืนยันเป็นตัวยืนยันถึงความจะเป็นบุคคลผู้มีศิลของพวกเรานั่นเองนั่นเมื่อพวกเราเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วแม้เราจะอยู่กันมากมายไก่กองขนาดไหนจะมาจากหลายเชื้อชาติวัณ น, นแตกต่างกันก็าตาม แต่ก็จะอยู่กันได้อย่างสวยงามได้อย่างราบเรียบได้อย่างโลบเย็นได้อย่างเป็นสุขเพราะจะไม่มีการปีนเกี่ยวซึ่งกันและกันเลยนี่คืออํานาจของศีลจะปูพื้นฐานของชีวิตของพวกเราในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีปฏิโพธิามกังวลในการอยู่ร่วมซึ่งกันและกันเลยจากนั้น ใจิตใจของพวกเราที่รัสัมีรัศลา ย, ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราให้ฟุง้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายหุดจิตขุดบัวกุ้มอกมอกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจขับแค้ใจต่างๆนานาที่มันบีบพั้นอยู่ภายในใจิตในใจของพวกเรานะั้นก็ล้วนแต่ก่อเกิดมาจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่สัมผัสรับทรบาบได้ด้วยจิตของพวกเราซึ่งเกิดขึ้นมาจากความนึกคิดปรุงแต่งของพวกเรานั่นเอง ไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติของของของเราอีกเช่นกันเพราะตาใดก็ตามเมื่อไม่มีกายกับจิตมาอิงอาศัยกันอยู่มันก็มีความนึกคิดปรุงแต่งเป็นของธรรมดาซึ่งเรียกกันว่าสังขารบุคคลผู้ไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งก็คือคนตายนั่นเองแต่พวกเราไม่ใช่คนตายในขณะนี้เมื่อเรายังไม่ใช่คนตายมันก็มีความนึกคิดปรุงแต่ง แต่ความนึกคิดปรุงแต่งของเรานั้นเรานึกคิดปรุงแต่งไปตามอำนาจของโมหะความรุ่มหลงก็เลยเป็นโอกาสให้กิเลสนำเอาไปเป็นเครื่องมือของมันคิดปรุงไปในในสายของกิเลสก็นำเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงมบีบคั้นจิตใจของเราเั่นเองเพราะฉะนั้น เราจะต้องมาชาระมามาแก้ไขในในความความนึกคิดอุงแต่งของพวกเราให้มันเป็นเครื่องมือของธรรมะไปธรรมะนาไปเป็นเป็นนานำเอาความคิดนี้ไปเป็นเครื่องมือของของฝ่ายธรรมเมื่อธรรมสามารถนําเอาความคิดนี้ไปไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายธรรมแล้วความคิดนี้ก็จะเป็นส ม, มาทิฐิคือความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกก็คือก็คือความฉลาดนั่นเอง ความฉลาดก็คือปัญญาถ้าเกิดเกิดเป็นปัญญาแล้วความนึกคิดปรุงแต่งของพวกเรานี่แหละจะนำพาชีวิตของพวกเราก้าวไปสู่จุดหมายไปทางคือความเป็นอิสยบุคคลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือการการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราจากความเป็นเครื่องมือของกิเลสให้มาเป็นเครื่องมือของธรรมได้นั้นเราก็ต้องได้รับการอบรมการขัดเกลวนั่นเองเพราะฉะนั้น การอบรมการขัดเกลีจิตใจของพวเราที่จะมิให้เป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้นั้นจิตนั้นก็ต้องเบื้องต้นต้องมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาเสียก่อนเพื่อให้มีหลักใจไม่ให้เอจเอียงหวั่นไหวไปกับไปกับอํานาจของกิเลสที่จะที่จะเสริมเข้ามาทางตาหูจมูกดิ้งกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขึ้นมาถ้าหากจิตใจเป็น อจิตใจที่ไม่เด็ดรับการอบรมไม่มีความตั้งมั่นเมื่อเมื่อตาหูจมุกดิ้งกายกระทบกับรูปเสียงเกื่อรูปเสียงจิ่นลดสิ่งใดก็ตามจิตจะเป็นผู้รับทราบกความอำนาจของกิเลสที่สามารถเข้ามาครอบงําทึ่งมาทั้งสายของของรูปเสียงจิ่นลดทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่จะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมีให้เอ็เอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายดังที่กล่าวมาดีได้นั้น จิตนั้นก็ต้องมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิจิตที่จะมีมีความตั้งมั่นหนักแน่นเป็นสมาธิได้นั่นจิตนั้นก็ต้องมีความสงบเป็นเบื้องต้นเพราะจิตที่มีความสงบแล้วจิตนั้นย่อมไม่หิวกระหายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอีกต่อไปแตจ่จะเป็นกับใครเป็นจิตที่มีความอิบ เ, เบิบบานผ่องใส เพราะนั้นจิตที่มีความอิม่มเบร์บานผ่องใสก็เป็นโอกาสที่ธรรมะจะเข้ามาสวมจิตนั้นในขณะนั้นได้ก็นําพาไปใช้ไปในทางปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่จะมีความสงบได้จิตนั้นก็ต้องมีหลักยึดไว้เพราะจิตที่ไม่มีหลักยึดมันก็ต้องเล่ล่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะสร้างหลักใดมาให้จิตยึดนั้นที่เราเรียกกันว่าจิตตาภาวนานั่นเอง เราจะยกเอาบทธรรมใดขึ้นมากำกับจิตก็แล้วแต่และท่านแต่และคนที่มีความชอบใจหรือมีความถูกกติตที่ใสในบทธรรมใดให้เรายกบทธรรมนั้นขึ้นมากำกับจิตโดยที่ไม่ต้องไปเหมือนกับคนอื่นหรือเหมือนกับครูบาอาจารย์ผู้นั้นผู้ดีเพียงแค่เมื่อเรายกขึ้นมากำกับจิตแล้วเรามีความรู้สึกสะดวกมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วสบายชัดเจนในความรู้สึกของเราแล้ว เรายกบทธรรมนั้นขึ้นมากำกับจิตได้อย่างอย่างตายใจแล้วก็ให้มั่นใจลงไปในบทธรรมนั้นจริงจริงจังๆลงไปเราจะยกเอาคำบริการมว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ตามหรือเราจะยกเอาอนาปานัตติการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตามเราจะยกเอาบทใดก็ตามยุบเนอพองเนอเรื อ, อาหางธรรมารสิ่งใดก็ได้ทั้งนั้นแหละที่มันมากหมายไก่กอง เดิ้ดิมีผู้บาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งแนะนําบอกกล่าวมามากมายไก่กองแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะยังทรงแยกแยะวิธีการเข้ามาไปถึงสี่สิบวิธีแต่แต่ละวิ ธ, แวธีแต่ละวิธีก็แล้วแต่ว่าถูกกัจจ리ปิสัยท่านใ ด, ท, นใดท่านใดมีความถนัดมีความสะดวกต่อวิธีใดแล้วก็ให้พากันกําหนดลงไปในวิธีนั้นแต่มีวิธีหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิธีที่ ที่ประเสริฐที่สุดสามารถเข้าได้ทุกจริตนิสัยเ อ, อนั่นก็คือการกําหนดอาณาปานนสติซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะได้ตัดสู้พระองค์กําหนดอาณาปานนสติมาเป็นอารมณ์เป็นเบื้องต้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าหากเรายังไม่สามารถเดีย่ยค้นหาจริตนิสัยของเราเองว่าถูกจริตบด ท, ทําได้เราจะกําหนดเอาเอา อนาปานรัติขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตอันนี้ก็เป็นความชอบอย่างยิ่งของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วการกําหนดอนาปานรัตติก็คือการกําหนดลมหายใจเข้าให้ใจออกนับตั้งแต่เบื้องต้นเราจะกําหนดให้มีความชัดเจนในความรู้สึกของเราสิบกอดโดยการหายใจเข้ายาวๆหายใจออกอยาวๆหายใจเข้ายาวๆหรือเราจะซ้าทับไปด้วยคําคําว่าพุทโธก็ได้ดังดังเช่นหลวงปู่มั่น ท่านมีกดสโลบายอันนี้ขึ้นมาแก่ให้แก่สารนุสิกของท่านคือหายใจเข้าเข้ายาวพร้อมกับกาหนดว่าพูดไปยาวเท่าลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดโทยาวเท่าลมหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเมื่อเรากําหนดลงไปลงไปอยู่ในลมหายใจเข้าออกอย่างนี้แล้วเราก็พากันสังเกตดูว่าว่าเรามีความรู้สึกชัดเจนในลมหายใจเข้าหายใจออกที่มันสัมผัสในจุดไหนในสลายทงร่างกายของเรา เช่นเรามีความรู้สึกถึงลมเข้าลมออกมันจะผ่านที่ปลายจมูกเราจะมีความรู้สึกชัดอยู่ที่ปลายจมูกว่าลมเข้าลมออกนั่นขอให้เรากําหนดลงไปอยู่ที่ปลายจมูกหลับตาอยู่ก็เหมือนเห็นเห็นด้วยความรู้รสึกของเรานั่นเองจ้องจดจอลงไปอยู่ที่ปลายจมูกของเราเป็นฐานที่ตั้งของลมลมเข้าลมออกจะผ่านอยู่ที่ปลายจมูกผููโทรพูโ้พโทรอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองเราอย่าไปเคลื่อนย้ายในใ น, ในจุดสัมผัสของลมอีก ให้เรากําหนดแน่วแน่แนลงไปอยู่ที่ปลายจมูกถ้าหากสติมันไม่ต่อเนื่องขาดวัาขาดตอนจิตของเราหลุดออกไปจากปลายจมูกมันไปเล่ยล่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งหากมีสติและลึกได้ยามใดก็ตามเราก็รีบเลื่อนกลับมาเริ่มต้นที่จุดของเราที่งานของเราใหม่คือกลับกลับมาสู่สปลายจมูกของเราด้วยการกาหนดลมให้ใจเข้าให้ใจออกมาอย่างนั้น โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงไม่ต้องไปกังวลถึงความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นสอนตัวเราเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีเกิดและก็มีดับเมือ่อความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาเกิดเองได้เขากระดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปคาดหมายกำหนดกฎเกณฑ์เขาปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดานี่เป็นหลักธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ตั้งเจตนาของเราลงไปได้อย่างนี้แล้วแม้มันจะเผลอกี่ครั้งก็ตามเราก็มาเริ่มต้นเท่านั้นครั้งโดยไม่ต้องไปกังวลมันเมื่อเรามีการเริ่มต้นขึ้นมาเรื่อยๆก็มาตามตามความร่มร่มลุกคุกคานของพวกเรานั่นเองแม้ในเบื้องต้นจะมีความร่มลุกคุกคานอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากมีความมีการเริ่มต้นอยู่อยู่แล้วโดยไม่โดยไม่ท้อแท้ไม่ ไม่เอ่อไม่ยอมในความร่มลูกผู้ค้าต่างๆทั้งหลายเหล่านั่นแล้วการเริ่มต้นของเรานี่แหละจะทําให้จิตของเราเริ่มมีความดักแน่นเริ่มมีความคุ้นเคยในการกําหนดอนาปานสติการกําหนดลมหายใจเข้าให้ใจออกเมื่อมีความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แนบแน่งขึ้นแนบแน่งขึ้นไอสติสติที่กำกับจิตไว้ก็จะค่อยๆมีกําลัง อ่าแข็งแน่นแน่นหนามั่นคงในการกำกับจิตไว้ไม่ให้ปีกแวอออกไปจากลมหายใจเข้าหายใจออกจนกระทั่งสติคือความรลลึกได้นี่แนบสนิทกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตคือเป็นปกติของจิตแล้วสติตัวนี้ก็กลายมาเป็นตัวสัมพัชัญญะคือเือรู้ตัวตลอดนะับตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเราจะกําหนดได้ทันที กำหนดอยู่อย่างนั้นเราจะกำหนดสิ่งใดก็ตามจะมีความรู้สึกชัดเจนอยู่ในจิตของผู้เราคือความระลึกได้อยู่ตลอดจนกระทั่งเราปล่อยวางเมื่อเวลาเราหลับนั่นเองเมื่อเรากำหนดอยู่ได้อย่างนี้แล้วการภาวนาของพูกเราก็มีความต่อเนื่องไม่ขาดบัคขาดตอนจิตที่กำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกก็จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนั้นเราก็เริ่มสัมผัสถึงความร่มเย็น ถึงความเบิ่บานถึงความผ่องใสที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนี่เราเริ่มัมผัสผลจากการภาวนาว่าเมื่อเราพอเรามาภาวนาแม้ในเบื้องต้นจะมีความยากความลําบากมีความร่มลุกคุกคานอย่างไรก็ตามแต่เมื่อการภาวนาของเรามีความหนักแน่นมั่นคงมีความมีความชำนิชำนาญมากขึ้นแล้ว การภาวนาของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะสัมผัสถึงความ ร, ร่มเย็นถึงความเบิกบานถึงควารรมผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของพวกเราด้วยอํานาจของสติที่กํากับจิตไว้ไม่ให้ปีกแหวออกไปจากลมให้ใจเข้าให้ใจออกนั่นเองเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวได้อย่างหนักแน่นมั่นคงแนบสนิทแล้วจิตที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสักวันหนึ่งจะไม่เลื่อช้าอย่างแน่นอน จิตนั้นก็จะรวมตัวเข้าสู่วามสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่วามสงบได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตเคยออกมาคล้องแวะสัมผัสรับทราบอยู่นั้นจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากความรับทราบหรือออกไปจากความเกี่ยวข้องของจิตแม้กระทั่งร่างกายนี้จิตก็ไม่ได้มาคล้องแวะวางทุกสิ่งทุกอย่างกายไม่มีก็ไม่มีอยู่แต่ความรูร้สึกของจิต สับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตจิตจะอยู่จำเพาะจิตเองนี่เมื่อจิตอยู่จำเพาะจิตเองแล้วจดอิ่มพอในความสงบของจิตจิตถอนออกมาจากความรวมตัวความสงบนั้นมารับทราบถึงเรื่องร่างกายมารับทราบถึงเรื่องเวทนามารับทราบถึงถึงความนึกิดปรุงแต่งต่างๆทั้ ง, ง, งหลายต่างดังจิตที่ปกติทั่วไป แต่จิตนั้นจะแตกต่างจากจิตปกติทั่วไปที่ไม่เคยรวมตัวก็สู่ความสงบอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะจิตที่ได้รวมตัวก็สู่ความสงบแล้วถอนออกมาจิตนั้นจะมีแต่ความอิม่มเอิบเบิกบานผ่องใสเราจะเห็นเป็นความอัศจรรย์อย่างเป็นทิ่เสษไม่ได้จิตนั้นจะมีแต่ความหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดเลยเพราะบริจาจึงเปรียบเทียบจิตประเภทนี้ประดุดเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ ที่ไม่หวั่นไหวเอจเอียงไปกับลมมาจากสี่ทิศแปดทางไม่ว่าลมประเภทใดพายุอันใดก็ตามมาพัดกระโชกมากระทบภูเขาศิลาแท่งทึบนี้ล้วนแต่ศาสตร์กระจายไปโดยไม่สามารถทําให้ภูเขาศิลาแท่งทึบนี้หวั่นไหวแม้แต่นิดเดียวจิตของพวกเราก็เช่นกันจิตที่รวมตัวสู่ความสงบจุดอิ่มพอถอนออกมาปีความตั้งมั่นหนักแน่นที่เราเรียกว่าสมาธิแล้วก็เช่นกัน จะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งใดที่มาสัมผัสรับทราบด้วยจิตอีกต่อไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งหน้ายินดีหรือหน้ายินไล่จะเป็นจะเป็นสิ่งที่ได้หรือสิ่งที่เสียก็าตามวารวมความเรียกว่าโลกกะระทำทั้งหลายหรือโลกกะระทำแปรนั่นเองจะมีในส่วนในฝั่งของความหน้ายินดีก็ตามในส่วนของฝั่งฝั่งหน้ายินร้ายก็าตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถมากระทบ จิตนี้ให้หวันไหวเอ็นเอียงอีกต่อไปได้เมื่อจิตนี้ไม่เอ็นเอียงวันไหวไปกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสแล้วจิตนั้นจะมีออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามก็จะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายลอกคอบเราจึงเรียกว่าปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะดําเนินชีวิตของพวกเราไปได้ด้วยสมมาธิฏฐิอย่างแท้จริงการดําเนินชีวิตด้วยสมมาธิฏฐิแล้ว การที่ปีกแวะออกไปในในในทางต่ำในทางเสื่อมเสียในทางเลวสามนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ล้วนแต่ล้วนแต่มีปัญญานิตรตะล่อมในเส้นทางของการเดินไปสู่จุดหมายไปทางคือเดินไปบนเส้นทางแห่งคุณงามความดีเพราะจิตของเราจะเป็นตัวสอนเป็นตัวบอกเองเพราะในขณะใดที่จิตแวบออกไปในทางในทางต่าในทางสามหรือในในความเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้ว มันจะสัมผัสถึงความมองถึงความคุณที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตในใจก็เป็นเป็นเป็นเหตุบอกกล่าวแก่เราว่านี่เป็นเป็นฝั่งของกิเลสนะเป็นฝั่งที่ไม่ถูกต้องเป็นฝั่งของความเลวสามของของการสะสมเป็นความบาสนั่นเองเราก็จะหลีกเลี่ยงหรือสามารถชําระสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้หลุดร่วงไปได้ด้วยปัญญาของพวกเราเสียประโยชน์เหมือนเสื้อผ้าของเรานั้นถ้าเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดสะอาดแล้ว มีสิ่งใดมาตัวฟามสกปกแม้แต่นิดเดียวมามาปะปนเข้ามาในเสื้อผ้าของเราเราก็จะรู้ชัดเจนถึงความถึงถึงสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาคือฟาร์มสกปกนั้นเข้ามาเกาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเรานั่นเองแต่ถ้าหากเสื้อผ้าของเรามันสกปกไปทั้งตัวแล้วแม้จะมีฟาร์มสกปกอีกเข้ามาเกาะเกี่ยวเข้ามาเข้ามาปะปนอยู่ในเสื้อผ้าเราเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเสื้อผ้าของเราสกปกจนแยกกันไม่ออก จิตของพวกเราก็เช่นกันจิตของพวกเราแต่ก่อนแต่กายนั้นมีแต่วาวุ่นยุ่งเยิงวุ่นวายไปกับอำนาจของกิเลสก็เกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีมีความฝ่ายต่ำหรือมีความโศกติงใดเข้ามาปะปนเข้าม า, า, มาในจิตของเราเราก็ไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เข้ามาปะปนเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงถูกชุดลากไหลเอียงลงไปในทางต่ําทางซามทางเลวอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้เลย แต่บัดนี้การภาวนาของเราเริ่มได้หลักได้เกณฑ์จิตมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่มีความเบิกบานมีความผ่องใสด้วยอำนาจของธรรมที่สามารถไปชำระหรือปิดกัน้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เคยครอบงำจิตให้หลุดล่วงออกไปไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มาแปกปอมด้วยอนานาจของกิเลสแม้แต่นิดเดียวเราก็รู้เท่าทัน เพราะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วก็อาศัยอาศัยปัญญาที่พวกเราได้พากันฝึกฝนอบรมด้วยการคิดพิจารณามาก็สามารถเข้าไปชาระสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้หลุดร่วงไปได้ปัญญาที่จะมีความเฉลียวฉลาดนับวัน ม, มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะให้พวกเราพากันมันอบรมปัญญาของพวกเราด้วยการคิดพิจารณาการคิดพิจารณานี่แหละจะเป็นบ่อกเกิดให ให้ปัญญาของผู้เรามีความเฉลีย้ยวฉลาดมีความแหลมคมเพิ่มปูนขึ้นแล้วเราจะคิดพิจารณาสิ่งใดเล่าสิ่งใดก็ตามที่มันจิตยังสายังไปมัวเมาร่มหลงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรฆ่าต่อการไปขี้คายมันตั้งนั้นเพราะสภาพธรรมก็คือความจริงที่ปรากฏอยู่โดยสภาพธรรมชาติของพว้เราของผู้ของมันเองแต่อาศัยโมหะควารรมร่มหลงที่ครอบงำ ความจริงไว้นั้นแม้ความจริงปรากฏอยู่แต่ปัญญาแต่จิตนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปสัมผัสเข้าไปพบเห็นได้ก็เพราะมีโมหะความรุ่มหลงที่ครอบงาไว้เราจึงจะต้องแยกแยะที่คาย<ม>พิจารณาเบิกเอาโมหะนี้ให้หลุดออกไปนับตั้งแต่อัตตาตัวตนนพอมีอัตตาตัวตนแล้วมันก็มีของของเราของเรายุ่งเหยิงวุ่นวายไปตามที่กิเลสเป็นเศษสารปั้นแต่ง ให้เป็น ไ, ไปตามความปารานาของกิเลสแต่เมื่อความเจริงทั้งหลายเหล่ า, ลานั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าอกิเลสนั้นความความรุ่มหลงของเราจะรุ่มหลงไปในแง่มุมใดก็ใดแต่ความเป็นจริงเขาจริงอย่างไรเขาก็จริงอยู่อย่างนั้นตลอดอนาตตาการแต่เมื่อความจริงนั้นมันไม่เป็นไปดังที่กิเลสปนเสร็สรรพแต่งแล้ว อ, อ, อ, อตามอํานาจของอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละเป็กอเกิดเป็นบอ่อเกิดของความทุกข์ที่บีบคั้นพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นการชี้รายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเบิกเอาโมหาความลุ่มหลงที่ครอบงำความารจริงทั้งหลายเหล่านั้นให้ให้หลุดล่วงออกไปให้ความจริงทั้งหลายไม่เปิดเผยออกมานับตั้งแต่ครับว่าอัตตาตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเหล่านั้น สภาพจริงแท้มันเป็นอย่างไรนับตั้งแต่ผมขนและปันหนังหรือนับตั้งแต่ศีรษะลงไปลดึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมายถึงศีรษะนี้ที่เราเสกสรรปั้นแต่งว่าอัตราตัวตนมีความสวยความงามนาหน้าลักนณายิน ด, ดีน่าพอใจนั้นแต่ผู้ทีเจ้าทรงกล่าวไว้สภาพความเป็นจริงของมันมันเป็นอสุภะอสุภะมันเป็ น, ปนของเป็นกูนโสโคก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะชี้คายแยกแยะพิจารณาพิจารณาลงไปดูตามสภาพความเปจริงที่มันแสดงความเป็นบิติกูลโสโคเป็นสิ่งที่น่าสิอิสเอียนน่าขยะข ย, ย้งอยู่ตลอดเวลาแม้พวกเราจะพากันตกแต่งพากันชำระสะสางอย่างไรก็ตามการชำระสะสางการตกแต่งของพวกเรานั้นก็ยังไม่สามารถไปปิดบังสภาพความเป็นมิิกูลโสโค ข, ของเขาได้ เขาก็ยังคอยเล็ดลอดในความในความเป็นปฏิกูลโสโครอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะกินกนลินหรือสีต่างๆทั้งหลายก็ล้วนแต่แสดงออกมาให้พวกเราแจ้งประจักษ์สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเราเองแม้นเราไม่สามารถสัมผัสในตัวตนของเราได้แต่เราก็สัมผัสในตัวตนของบุคคลอื่นได้บุคคลอื่นเขาเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันประกอบไปด้วยเนื้อหนังเองกระดูกอันเดียวกัน เมื่อเนื้อหนังองกระดูกของบุคคลอื่นเขาเป็นปฏิกูลโสโคเป็นของน่าเสียอิสเอียนแล้วเนื้อหนังกระดูกกองที่พวกเราครอบครอง อ, อ, อยู่นี้จะไม่เป็นปฏิกูลไปได้อย่างไรมันก็ตัวเดียวกันเมื่อเมื่อภายน อ, นอกมันเป็นปฏิกูลภายในก็เป็นปฏิกูลเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบพิจารณากายในไม่เห็นก็พิจารณากายนอกได้ เมื่อพิจารณากายนอกได้ชัดเจนก็มาเปรียบเทียบกับกายในได้หรือพิจารณากายในได้ชัดเจนก็ไปเปรียบเทียบกับกายนอกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันล้วนต่อเล็ดลอดในการติดบังของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเราไม่ชำระสะสางไม่ตบแต่งดูอมันจะเป็นอย่างไรนั่นมันจะยิ่งแสดงความเป็นภิกขุโศกโขมากขนาดไหนกาหนดลงไปพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของเขานั่นเอง หรือแม้กระทั่งปริจารณาไปจนกระทั่งถึงบทลมหายใจหล่อเลี้ยงแล้วเรือนกายนี้ถ้าไม่มีลมหายใจหล่อเลี้ยงแล้วแต่สภาพธาตุทั้งสี่คือดินน้ามลมไฟมัแต่กระจุยกระจายแยกแยะออกไปแล้วเราดูซิว่ามันจะยิ่งเป็นเป็นความเป็นอสุภะอสุพังเป็นของหน้าสิอิเอียนหน้าลางเกียจหน้าขยะแขยแยงมากขึ้นเท่าไหร่ มีการกำหนดจิตของเราไล่ลงไปไล่ลงไปจะได้ยิ่งยิ่งได้ไละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกําไรของบุคคลผู้นั้นเพราะฉะนั้นกายหมั่นพิจารณาเอ่อหมั่นพิจารณา อ, อสุภอสุพังนี้จึงเป็นความชอบทำอย่างยิ่งของนักปฏิบัติเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าอาจารย์ใดถ้าหากไม่สอนถึงการพิจารณากายคือกายยะคตาสติต่อสิทธิ์แล้วอาจจะเป็นเหตุปักตัดมรรคผลนิพพานของสิทธิ์ก็ได้ เพราะฉะนั้นการพิจารณากายยิ่งวันหนึ่งวั น, ห น, วนหนึ่งพิจารณาได้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกําไรหรือเป็นความเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเมื่อเราหมั่นพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปความชัดเจนในสภาพของอสุภะอสุพังก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตเข้าไปเห็นในสาภาพอสุภะจริงจรงจังจังลงไปจนสุขคาว่าสุภะความมีของ สวยของงามของหน้ารักหน้ายินดีหน้าพอใจไม่เหลืออยู่ในความรู้สึกของจิตเลยจิตถอดออกมาจากสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงหมดสิ้นไปจากอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นในความเป็นของสวยของงามของหน้ารักหน้าพอใจเหลือแต่ความหน้าสิอิสเอียนหน้าข ย, ขยันขแย้งเต็มอยู่ในความรู้สึกของจิตจิตยืดเอาความเอากายดีว่าเป็นอสุภะเป็นของไปพูโนโศโคกจริจรจังๆลงไป จนกระทั่งจิตจมอยู่ในอสุภะอย่างแท้จริงที่สุดแล้วเมื่อถึงถึงความเป็นอสุภะอย่างสมบูรณ์แล้วจิตมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางไปอีกมันเหมือนจนตอกแต่เชื่อเถิดว่าสัตว์โลกนี้ไม่มีประเภทไหนที่ยอมจนตอกแม้กระทั่งสัตว์เลเชียน เราลองไปไล่หมาสมมุติว่าหมาให้ไปจนตอกสิหมาจเมื่อไปไปจนตอกแล้วยังไงมันต้องย้อนกลับมาสู่ตัวตัวเราเองที่บพราะว่าเราเป็นผู้ไล่ไล่เขานั่นเองจิตของพวกเราก็เช่นกันเมื่อจิตของพวกเราไล่ต้อนด้วยปัญญาแยกแย ะ, แย ะ, แยะขี้คายพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนถึงที่สุดถึงอสุภามเป็นอสุภะอสุพังอย่างแท้จริงไม่มีเส้นทางไหนจะปีกแหวกออกไปอีกแล้วจนต่ออยู่ที่อสุพะนั่นเอง เมื่อจนต่ออยู่ที่อสุภะแล้วจิตนั้นจะไม่ยอมจนต่อยังไงก็ต้องย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวจิตเองด้วยปัญญานั้นเมื่อปัญญาไปถึงสุดทางของอสุภะแล้วย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเองจะเห็นชัดเจนทันทีด้วยด้วยปัญญาของตนนั้นอย่างปฏิเสบได้ว่าความเป็นสุภะหรือความเป็นอสุภะนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตที่เข้าไปให้ความหมายเขาทั้งสิ้น เมื่อจิตไปให้ความหมายเขาเอาอย่างลายจิตก็ไปยึดในความหมายอันนั้นการยึดความหมายอันนั้นจะเลยมาทับถมจิตให้จมลงไปในกับความหมายอันนั้นนั่นเองแต่สาภาพความเป็นจริงของเขาแล้วเขาเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรเขาไม่รีว่าเขาเป็นสุภะหรืออสุภะแต่เขาเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรแม้เรายังไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เขาก็เป็นเช่นนี้ เราจะเกิดมาแล้วหรือเราจะตายไปแล้วเขาเก็เป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดอนันต์กาย <_ d ata> เขาไม่เคยเสกสรรปั้นแต่งว่าเขาเป็นสุภะหรือเขาเป็นอสุภะเพียงแค่จินตนี้แหละไปยึดไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นสุภะเขไปยึดในความเป็นสุภะไอ <_ d ata> ้ความ เ, เป็นสุภะกเลยมาครอบงมจิตให้รุ่มหลงหัวเมาไปในทางยินดีแต่พอจิตไปให้ความหมายเขาว่าเป็นอสุภะ จิก็เลยไปยึดในความเป็นอสุภะก็เลยมันก็เลยมาครอบงำไปในทางความยินลายแต่จริงๆแล้วเมื่อย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเองจะเห็นชัดเจนเลยว่าจิตนี้เป็นผู้ให้ความหมายเขาจิตนี้จึงเป็นตัวสุภะตัวอสุภะเองอย่างแท้จริงจึงทั้งหลายเหล่านั้นขนล้วนแต่เป็นเช่นนั้นเองงาแต่ไหนแต่ไรเมื่อจิตเมื่อปัญญาเข้ามาสอดส่องชี้คายจนเห็นชัดเจนอย่างนี้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงของปัญญาที่เข้าไปสอดส่อง เห็นอย่างชัดเจนแล้วจิตนี้ย่อมหลุดออกมาจากอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอย่างแท้จริงเมื่อจิตถอดถอนออกมาจากอุปทานในอัตตาแล้วอัตตาตัวตนนี้จะมาจะมาทัดถมจิตมาเหยียบย่างจิตนี้อีกต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอนแม้นเราจะอยู่กับกายนี้อีกนานแสนนานก็ก็ตามเถอะเราจะอยู่กันได้อย่างอิสระ ต่างคนต่างอยู่จิตก็อยู่เฉพาะจิตกายก็อยู่เฉพาะกายแม้จะอยู่เกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันด้วยด้วยเหตุด้วยผลตามประวัตตามตามภาระตามหน้าที่เพราะว่าภาลาหะเวเป็นจักขันธาขันห่านี้เป็นภาระพอจะเยียวยาดูแลรักษาอย่างไรก็ดูแลรักษาเยียวยากันไปตามหน้าที่นั่นเองแต่หน้าที่อันนั้นไม่ให่ทุกแบบแต่ในขณะเดียวกันเดียวกันแล้วในขณะที่ เกี่ยวข้องอาศัยกันอยู่ว่าเราจะสามารถนำกายนี้มาเป็นมาเป็นเครื่องมือในทางใดแล้วมาเป็นประโยชน์แก่สารสาระต่อเราเราก็รีบเร่งนำกายนี้แหละมาเป็นเครื่องมื อ, อที่จะสร้างคุณงามความดีขึ้นมาสะสมเป็นอริยทรัพย์คือบุญทรัพย์อันประเสริฐก็คือบุญนั่นเองบนับวันจากนั้นไปนับวันจะเพิ่มพูนกองบุญขึ้นมาเพิ่มพูนกองบุญขึ้นมาด้วยการมัน นำร่างกายนี้แหละมาเป็นเครื่องมืออันประเสริฐที่จะกระทําคุณงามความดีด้วยความขยันหมั่นเพียรจะยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปอย่างแน่นอนเมื่อมันสะสมก็มาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญเป็นกนุศลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็จะตอบสนองชีวิตของพวกเราให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนในมั่นคงในอัตในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเมื่อใดขณะใดก็าตามที่เราสามารถ ยืนไปบนเส้นทางแห่งบุญจนสามารถชำระกิเลสต่างๆทั้งหลายให้หลุดร่วงออกไปจากจิตจากใจของเราอย่างหมดสิ้นแล้วนั่นแลความก้าวเข้าไปสู่ความปิฎญาบุคคลของพวกเราก็จะก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางของความปิฎญาบุคคลอย่างแน่นอนอย่างไม่มีใครจะปิดกั้นได้อย่างไม่มีใครจะหักท้ามเราได้เราท่านทั้งหลายก็าสามารถก้าวเข้าไปสู่ความปิฎญาบุคคล ดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือสงสาวกอราหารทั้งหลายเราทัานก้าวไปถึงจุดหมายไปทางอันนี้แล้วเราท่านทั้งหลายก็สามารถก้าวไปถึงจุดหมายไปทา ง, งดังเช่นเ อ, อดังเช่นที่เราที่กล่าวมานั้นด้วยด้วยการนํามาปรพฏิบัติตามหลักธรรมที่ที่แสดงมานับตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายนําไปเป็นแนวทางในการปรับพฏิบัติทุ่มเทลงไปอย่างไม่ท้อแท้ เอาจริงเอาจังลงไปในการปฏิบัติด้วยตัวตนของเราเองแล้วเชื่อเถิดว่าพวกเราท่านท่านท่านทัน้งหลายก็สามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางความปริยะบุคคลได้ด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีคำว่าผูกขาดบุคคลใดก็ตามไม่สามารถผูกขาดในหลักธรรมนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันโอปนโกน้อมเข้ามานาไปประพฤตปฏิบัติ พวกเราท่านทั้งหลายก็จะก้าวไปสู่ความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรเจณเวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยปกาละชนี<า>เข้าเป็นสาแล้วนะจริงๆแล้วพวกเราชาวพุทธน่าจะเตรียมพร้อมแล้วในการเข้าเป็นสาน่าจะมี เป็นกรณีพิเศษในชีวิตประจำวันของพวกเราชีวิตประจำวันของพวกเราเราพา ก, กันดิน้นรวนทุรนทุรายแสวงหามาเพื่อปากท้องของพวกเราปีทั้งปีเราก็มีแต่วิ่งหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเราโอกาสที่พวกเราจะมาหาเลี้ยงจิตเลี้ยงใจของพวกเรานี่มาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินแต่เรามาพิจารณาดูว่า เราจะมาข้นขวายสเสวงหาเพื่อป่าทองของกเราขนาดไหนก็ตามไม่มีหรอกที่จะเลี้ยงมันแล้วดูแลมันให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือแตกดับเรายังยอมเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวกับมันได้ขนาดนี้เพียงแค่เราดูแลบริหารมันดีข้นขวายสเสวงหามันมันดีมันก็เสื่อมช้าหน่อยเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเสื่อมเหมือนกันหมดเลย นี่เราก็ยังทุ่มเทด้วยความเด็ดเหนื่อยยากลาบากขนาดไหนที่เราทุ่มเทกันมาแล้วตลอดชีวิตของพวกเราแล้วทําไมเราจะทุ่มเทให้แก่จิตใจดวงไม่แตกไม่ดับบ้างได้ไม่ได้หรือน่าจะเตือนตัวเราเองได้แล้วเราในขณะนี้เราผ่านมากี่ฝนกี่หนาวกี่ร้อนแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบเนาเหมือนตะวั น, นะตะวันขึ้นวันเกิมขึ้นตอนนี้มันเกินเที่ยงมาแล้วก็ทั้งนั้นมั่งมองหน้ามองตาเนี่ยฮ้เกินเที่ยงหรือยัยง เออมันเกินเที่ยงแล้วถ้าเกินเที่ยงแล้วมันจะมีมันจะไปไหนล่ะมันก็มีแต่ไปบ่ายไปค่าเค่นั้นแหละมันไม่มีโอกาสเช้าสายอีกแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเอาถึงมันจะไปบ่ายก็ตามนะแต่มันยังไม่ถึงก็มืดหรอกมันยังมีโอกาสยังมองเห็นเพ่ที่จะเราจะทําอะไรก็รีบทําจ้ะเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาแล้วเป็นโอกาสเป็นความสะดวกของพวกเรานะรีบเร่งคิดก็แต่บัดนี้ว่าเอาพรรษานี้จะเข้ามาแล้ว พรรษานี้เราจะทำอะไรเป็นกรณีพิเศษให้แก่จิตใจของพวกเราคิดพิจารณาซะเอา้าเราจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาให้มันได้ทุกวันอย่างนี้น้อยก่อนหลับก่อนนอนซึ่งเป็นเวลาที่เราโปรงวางภาระงานการทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเราก็จะมาชำระจิตใจของเร า, เ, ราเหมือนกับบ้านของพวกเราเนี่ยนะเราจะมาเกี่ยวข้องกับอะไรมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตาม วันหนึ่งวันหนึ่งอย่างน้นอยๆก็มีเวลาปัดฝาดเช็ดถูสักครั้งหนึง่งมาจัดสิ่งจัดขอให้เข้าที่เข้าทางในเรื่ระเบียบเรียบร้อยสักครั้งหนึง่งบ้านเราแม้นจะเป็นบ้านกระตูกกระต๊อกก็น่าอยู่นะเพราะมันมีความสะอาดสะอาดอยู่ระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าบ้านของเราเละจะเป็นบ้านใหญ่โตเปก็เรือหดัดมีแต่ความสกปกโศกสกปกโศ ก, ก, ก, ก, ก, กโคกลบลุงลังเตม็มไปหมดแล้วมันไม่น่าอยู่หรอกชีวิตของพวกเราก็ตามจะเกิดขึ้นมาในตระกูลในชนชั้นวรรณะ สูงเด่นขนาดไหนก็ตามแต่ใจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองขุนมัวลกลุงลังไปด้วยอาลมเรื่องเราวอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าอะไรเพราะชีวิตมันไม่ได้มีความสุขจากการมีมากมีมียศฐานมดาศักดิ์เต็มบาอะไรมีฐานะเป็นมหาเศรษฐีนี่แต่ความสุขมันจะเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเขาพวกเราสิ่งทั้งหลายภายนอกมันล้วนแต่เอานวยความสะดวกให้พวกเราเท่าที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราก็ควรจะมาทุ่มเทให้แกจิตใจบ้างว่าเอาเข้าเป็นสาเนีแหละเราจะทำอะไรเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้จิตใจดวงนี้อย่างน้นอยๆเอาเรามาปฏิญาณตัวของเราเองเลยว่าพรรษานี้ฉันจะสดวดมนต์ไพระให้ได้ทุกวันฉันจะนั่งภาวนาให้ได้ทุกวันฉันจะสอยใส่บาตรให้ได้ทุกวันตั้งเอาเลยว่าเจตนาของเรา ล, ลงไปอย่างไร เมื่อเราตั้งเจตนาแล้วเราก็พยายามภาคเพียรทําให้ได้ดังที่เราตั้งเจตนาไว้เรียกว่าตั้งเอ๋ยบำเพ็ญสัจจะบารมีของพวกเราเองเมื่อการบําเพ็ญสัจจะบารมีของพวกเราเรามีความภาคความเพียรแล้วเราทำตาได้ตามสัจจะบารมีของเรานั้นพวกเราจะชีวิตของพวกเราจะสัมผัสถึงความเจริญตลอดไปไนี่สัจจะบารมีไม่ ไม่ใช่ของธรรมดานะเออศัจจบารมีนี่แหละจะทําให้เราสัมผัสถึงความเจริญถึงความถึงความปัถนาถึงความต้องการของพวกเราได้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนจนก้าวล่วงไปถึงพบหน้าชาติหน้าต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยนะพวกเราเีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเป็นของประเสริฐแล้วใกล้เข้าเป็นสายแล้วคิดดูพิจารณาดูเสียแต่บัดนี้ว่าภาษาน์นี้ฉันจะทําอะไรเปกนกรณีพิเศษขึ้นมา พวกที่เคยเที่ยวเคยเล่นเคยเกเรเ ก, รเ ก, รเกรตุงอะไรก็ฉันจะเลิกตลอดเป็นฐานนี้ใช่ไหละ่ะเอาให้มันมีให้มีหลักกิงขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเองนะฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอา้าเอาจากนี้ไปก็จะอนุโมทนาให้พร น, นะพากันตั้งใจรับพร น, นะนั่นดีก็ห <laughs> วังใจว่าคนจะทำได้นะ เหมือนเมื่อเช้านี้ก็ฝากไว้อันหนึง่งใครยังจำได้เปล่าเนี่ย ล, ลืมแล้วเมื่อเช้าฝากไว้ว่าเออพวกเราเนี่ยมาเนี่ยแหมมีเดือนหนึ่งนี่มันพระมาสองครั้งก็มีกิจกรรมสองครั้งหรือมันมันน้อยไปเอาอย่างนี้น้อยพวกเราก็มาแล้วแต่แต่เช้าตั้งเวลาไว้เลยเจ็ดมงครึ่งเป็นเวลามาสวดมนต์ทำวัดเช้าที่นี่เจ็ดโมงครึง่งเรามีเราคนเดียวเราก็สวดมนต์คนเดียวนั่นแหละ เออไม่ต้องไปเอาคนอื่นเป็นเกณฑ์เอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์นับเราเป็นหนึ่งอพอเช้ามาเกณฑ์โงครึ่งเรามานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้ากันเลยจะไหมละ่ะสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จมันก็ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีเสร็จแล้วเราก็มานั่งภาวนานั่งภาวนากําหนดพุโทโธพุทโธลงไปอีกสิบห้านาทีเออถึงเวลาเลิกสองสองโงเช้าไปทํางานโอ้ยมันจะไปทํางานด้วยจิตใจที่เบิก บ, บานผ่องใสผิวพรรณหน้าตาเบิก บ, บานผ่องใสบานเกระด้งไปเลยแต่ไปเออ เจอใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเอ่ออยู่ตลอดแต่ไม่หน้าเบี้ยวไหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าหงิกหน้า ง, งออย่างแน่นอนแหละธาใจมันเบิกบานแล้วผิวพรรณหน้าตาเป็นเบิกบานมีสง่าราศีไปพร้อมนะเพราะฉะนั้นเราดูเนี่เราดูคนเนี่ยคนไม่เป็นสุขเป็นสุขหรือไม่ดูก็ไม่ยากหรอกดูหน้าตาก็รู้แล้วใช่ไหมละ่ะถ้าจิตใจมีอัตมีทำมันเบิกบานผ่องใสโอ้โมันบานมาถึงหน้าตาเนี่ยแหละเห็นไหมถ้าจิตใจห่อเหี่ยวห่อเหี่ยว เ, เศร้าหมองขุนมัว มันก็เศร้ามองขุดมัวมาทั้งหน้าตาอีกเหมือนกั น, ห น, น, ห, นกหน้าเนี้ยหน้าหงิกหน้าเบี้ยวหน้าหงิกหน้างอนอ่ะเออเป็นป น, น, นางงามขนาดไหนก็หาฟอางามไม่เจอเลยแต่ไปเออต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันอบรมนะนี่แ ห, หละเพราะฉะนั้นเช้ามาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มาสวดบนธรรมวัดเช้าอยู่ที่นี่ได้พอกลับบ้านเราก็ไปทําวัดเย็นได้ก่อนหลับก่อนนอนใช่ไหมหล่ะโอ๊ยได้หมดเลยตลอดพรรษาดีฝากไว้ด้วยนะ อ้าวรับผ่อนรับผ่อนจะดูวัฒนาให้ผ่อน